เพราะนั้นเองตรงเนี้มาว่าให้เราภูมิใจแล้วทําให้มันเป็นทําความรู้สึกตัวนี้ให้เป็นแล้วฝลังเข้ามาแล้วก็บอกเขาได้เลยอันนี้ยวิธีแล้วหลายคนตอนนี้ฝลังที่จะพยายามผลักดันคนไทยเอเชียเนี่ยเขาไปอยู่บ้านเขาแต่เขาจะได้กลับมาอยู่ทางนี้แทนใช่ไหจริงเขาก็ไม่ได้พอใจในบ้านเขามืองเขาเท่าไรหร่หรอกแต่ที่มันพอใจเขาจําเป็นที่งอยู่เขาอยากจะมาอยู่ทางเมืองไทยที่ดีวกว่าเพราะอากาศมันสบายกว่าอาหารสบายกว่าคนไทยใจดี แต่ว่าเขาบางทีเขาก็ติดอย่างนั้นฝรั่งบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะแต่เดี๋ยวนี้หลายคนก็เริ่มหันไปสู่ชีวิตที่มันไม่ต้องใช้วัตถุแล้วนะเขากําลังเดินทางกลับแล้วเขาไม่ได้คลั่งคล้ายไหลหลงอย่างอย่างบ้านเราแล้วนะเพราะฉะนั้นเองพวกเราทุกคนเนี่ยพยายามนะกลับไปบ้านอย่าไปทิ้งทํามีอย่างนั้นแหละนอนก็ทํานั่งก็ทําทําอย่างนั้นแหละส่วนมันจะรู้เมื่อไหร่เห็นเมื่อไหร่ช่างมันไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะรู้เมื่อไหร่เห็นเมื่อไหร่ขอให้ได้ทําเท่านั้นพอ เขได้ทํานะทําไปเรื่อยๆมันไม่เต็มวันนี้ก็ต้องเต็มวันต่อไปไม่เต็มวันต่อไปก็เดือนต่อไปปีต่อไปแต่ถ้าเราไม่ทําเลยเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเต็มเราคํานึงถึงว่าเราเนี่ยได้ผ่านการขึ้นสวรรค์ผ่านตกนรกมาเนี่ยนับชาติไม่ท่วนแต่ทีนี้เราบอกไปสวรรค์ไปนรกเนี่ยรู้สึกมันทุกไปสวรรค์ก็ทุกไปนรกก็ทุกถ้าหากว่ายังไม่ถึงนิพพานก็จะเป็นอยู่อย่างเนี้ยตลอดจับตลอดกันเราก็อยากจะไปให้ไกลก็มาทําตัว รู้สึกตัวสวรรค์อยู่ที่ความพอใจนรกอยู่ที่ความไม่พอใจแล้วก็มาอยู่ความพอใจก็ทุกอยู่กับความไม่พอใจก็ทุกเราก็มาอยู่ด้วความรู้สึกเฉยเฉยพอใจก็ไม่เอาไม่พอใจก็ไม่เอาตรงนี้เป็นนิพพานนิพพานอยู่ตรงกลางใช่ไหมทางสายกลางใช่ไหมทางสายขวาก็เป็นสวรรค์ทางสายซ้ายก็เป็นนรกใช่ไหมเราก็เป็นทางสายกลาง ทางสายพอใจก็เป็นสวรรค์ทางสายไม่พอใจก็เป็นนรกทางสายเฉยๆซื่อๆแบบมีปัญญาเป็นนิพพานเพราะฉะนั้นอะไรมากระทบตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยรักษายใจให้ซื่อๆไว้ก่อนไปนิพพานทันทีเลยไปนิพพานน้อยๆก่อนนิพพานที่จะไปเป็นเพอร์มานแตนเป็นถาวรได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นนิพพานทีละขณะทีละขณะทีละขณะไปก่อนพอสั่งสมทีละขณะๆมันก็กลายเป็นนิพพานถาวรได้ วันเราจะนับเป็นวันได้มันก็มาจากชั่วโมงชั่วโมงมันจะนับเป็นชั่วโมงได้ก็มาจากมาจากนาทีนาทีจะนับเป็นนาทีได้ก็มาจากช่วนิ้นาทีวิ น, นาทีมันก็ไปทีลักขณะทีลักขณะแล้วมันก็บอกวันบอกเดือนบอกปีเราชั้นใดก็ดีจิตของเราที่กําหนดความรู้สึกตัวทีละขณะทีละขณะทีละขณะมันก็จะบอกมรรคบอกผลบอกนิพพานไปในตัวข้ามันเองเสร็จเพราะฉะนั้น นี่คือความเข้าใจที่ถูกอย่าไปติดอยู่ในความพอใจอย่าไปติดอยู่ในความไม่พอใจและอย่าไปติดอยู่ในความรู้สึกชื่อๆเฉยๆแต่ให้รู้ให้เห็นความพอใจไม่พอใจแล้วก็ความรู้สึกเฉยๆแล้วเอาใจไปอยู่กับความรู้สึกเฉยๆให้รู้ให้เห็นมันแต่อย่าไปเอามันมันไม่พอใจก็รู้าฉันไม่พอใจแล้วนะไม่พอใจเห็นพอใจที่นี่นะไม่ใช่ฉันไม่พอใจแล้วนะเพราะไอ้คนคนนี้ทาให้ฉันไม่พอใจก็หาทางที่จะว่ามันกลับให้ได้ อันนี้เป็นนรกละอ่าเป็นนรกละไปนิพพานไม่ได้เพราะค น, นเขาเนี้ยพูดชมฉันขึ้นพอใจเลืเ่อเงินอ้าวเป็นสวรรค์แล้วไปนิพพานไม่ได้อีกแล้วพอใจนึกอะไรก็พอใจไปนิพพานไม่ได้ทีนี้เขาจะว่ามาดีหรือไม่ดีก็เฉยๆนะรู้สึกเฉยๆสบายๆปัญหามันก็หมดแต่ทุกวันนี้ปัญหามไม่หมดเพราะมันพอถูกกระทบแล้วเนี่ยมันรักษาความรู้สึกเฉย ๆ, ๆไม่ได้พอใจไม่พอใจพอใ จ, อใจเขาเรียกว่าไอ้ทาง มีตรงกลางไม่เดินไปเดินสองข้างคืออย่างเงี้ยไปเดินทางพอใจไม่พอใจเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายนักปฏิบัติทั้งหลายเรื่องเหล่านี้พูดกันได้แต่ถ้าเราไม่ทํามันไม่เป็นนะไม่ทํามันไม่เป็ <_ S 1> พอเป็นแล้วก็ต้องทําบ่อยๆทําบ่อยๆ <_ S 1> ท่านบอกว่าในทางที่ดีนี้ทำบ่อยๆในทางที่ไม่ดีอย่าทําบ่อยฉันว่านนะเราเป็นผูุ้ชนเนี่ยห้ามกันคิดอกุศลไม่ได้แต่ท่านบอกว่าอย่าคิดบ่อ ย, <_ S 1> อยคิดได้แต่อย่าคิดบ่อย แต่ต้องทํากุศลตลอดเวลาคิดในเรื่องที่เป็นกุศลบ่อยๆเมื่อคิดกุศลแล้วก็คิดก็ไปสู่ตัวภาวะที่มันเฉยๆได้ดังนั้นเองในชีวิตจริงของเราเนี่ยแหละไปนิพพานได้ง่ายๆไม่ยากแต่ขอให้รู้จักที่หลวงพ่อชีจงก็ว่าอึดใจเดียวนะ่ะใช่ไหมอึดใจเดียวไปได้แล้วแต่ถ้าไม่เข้าใจไม่ถูกต้องมันก็หลายอุดใจนะไหลายอุดใจเข้าใจให้ถูกต้องแสวงหาดิ นันบอกว่าสมาธิสมาธานาสภพวทุกข์อาไปเจรุงคนไหนมีความเข้าใจถูกต้องแล้วคนนั้นพ้นจากทุกทุกอย่างแต่ทุกวันที่มันมีปัญหาถ้าเราบอกไว้า่าเพราะเข้าใจกันไม่ถูกฟังไม่ถูกฟังมาไม่ถูกคิดไม่ถูกทําไม่ถูกมันก็เลยเป็นทุกข์ขึ้นมาดังนั้นญาติโยมทั้งหลายในสิ่งที่มานํามากล่าวนี้เข า, าต้องการใช้เวลาจุดนี้ให้เป็นประโยชน์เพราะว่าปีที่เราเจอกัครั้งหนึ่ง หรือสองสาครั้งก็ตามให้นําเรื่องนี้ไปพิจารณาให้ดีไม่ต้องเชื่อก็ได้นําไปพิจารณาให้ถูกทาความเข้าใจถูกเราทําจุดนั้นบ่อยๆอันนี้คือจุดสําคัญบางทีเราเข้าใจถูกแล้วนะ่แต่ทําไม่บ่อยอ่าเหมือนกับเราไปขุดบ่อน้ําเนี่ยตรงนี้มีตาน้ําแน่นอนแต่ว่าต้องขุดไปถึงสิบเมตรนถึงจะเจอน้ําแต่เราขุดไปแค่สามเมตรโอ้ม่เจอน้ําพอละหรือขุดไปแค่ห้าเมตรไม่เจอน้ําเลิกละ มันไม่ถึงสิบเมตรเน่ะตรงนั้นมันถูกแล้วแต่ในขุดมันไม่ถึงเท่านั้นเองเหมือนกับที่โยมทําเนี่ยมันบางทีมันถูกแล้วนะแต่ว่ามันขุดไปนิดหน่อยมันเลิกเส้นเนี่ยแต่คงจริงทําไปอีกหน่อยไม่เจอเรามาทำที่นี่อย่าทิ้งไว้ที่นี่กลับไปบ้านทำอีกแต่ว่าต้องเลือกดูการสถานที่หน่อยไม่ใช่ว่านั่งตรงไหนก็เอาตรงนั้นเลยไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะว่าเราเป็นบ้าหลบหลบตาก็หน่อยก็แล้วกันนะอถ้าลูกหลานมันเห็นน่ะถ้าลูกหลานมันเห็น ทำอะไรก็ใหญ่ไม่ใหญ่เบอกว่าทําบุญในหนูห น, หนูมาทํากับปลากับญา้าดิทําบุญเอาทำํทำไมทําอย่างเงี้ยก็อธิบายฝ่งก็ทําอย่างงี้ดีกว่าเอามือไปตีแกเนี่ทําอย่างเงี้ยเนี่ยทำอย่างเงี้ยไ ม, ม่ต้องไปตีแกเนี่ยทำไปก็ทําทเอาให้ดูให้หลานได้ด้วยนะแต่ถ้าหากว่าในบ้านเขารับได้นั่นสร้างาจังหวะเดินโยงกลุ่มก็มีปัญหาแต่ถ้าในบ้านเขาไม่เข้าใจเขอรับไม่ได้ก็ยิ่งพึ่งทําให้เขาเห็นแอบแอบไปทําในห้องของเราก็ได้อก็ได้หรือทําอย่างอื่นก็ได้ อย่าโยงที่ว่าที่ว่าเห็นทำอยู่ที่ัสเวกัสเนี่ยเขาทํางานสนุกเมื่อก่อนในเขาเห็นเขาเป็นคนคุมงานอยู่นะเขาเห็นคนนั้นทําถูกท่านทำผิดเขางุนหงิดลูกน้องเขาอะแต่หลังจากเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยโอ้มันก็เป็นธรรมชาติของเขาเนาะที่ทําผิดอย่างนั้นเพราะเขายังไม่รู้ไปว่าเขาไม่ได้มันเข้าใจทันทีเลยสงสารเขาเมื่อก่อนนี่งุนหงิดดังเหียดเขาว่าไอ้ลูกน้องมาทํางานไม่ถูกทํางานไม่ดีดังเหวียดเขามันทําแต่พอมาเข้าใจธรรมะโอ้สงสารเขาเขามีทุกข์เนาะก็ยิ่งทาอย่างงั้น แทนที่จะจะด่าไปว่าไปตำหนิไปบอกรงแรงก็เลยไปค อ, อยแนะด้วยเมตตายินยอมแจ่มใสเขาก็ทําตามแต่ถ้าไปพูดถึงงน้นนี่เขานี่เขารถือว่าพูดเขาไม่เพราะดูถูกเขาเนี่ยเขาก็ไม่ทําตามแล้วก็ทุกหนักเข้าไปอีกแต่ผนที่เข้าใจธรรมะพูดดีๆพูดด้วยความเมตตาพูดด้วยความเข้าใจดีเขาก็ยอมทําตามลูกน้องมันก็รักเพอลูกน้องรักหลายได้มันก็เกิดขึ้น รายได้ก็ดีขึ้นทํางานเจ้านายก็รักมากขึ้นแนะ่ปฏิบัติธรรมมันก็ทําให้รายไ ด, ด้ดีขึ้นทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วบางคนกลัวปฏิบัติธรรมแล้วจะทํางานไม่ได้รายได้ไม่ดีหาเงินไม่ได้เพราะว่าอยู่กับโลกเขาไม่ได้คนแปดสิเก้าิซนคนไทยเราเข้าใจอ ย, อย่างนั้นว่าปฏิบัติธรรมจะอยู่กับโลกเขาไม่ได้แต่ปฏิบัติธรรมแล้วจะอยู่ในโลกนี้เป็นประโยชน์กับโลกอย่างมากมายทําให้คนรอบข้างเป็นสุขแล้วทําให้รายได้เราเพิ่มขึ้น ถ้าเราปฏิบัติถูกนะมันดีมากเลยแต่ปฏิบัติไม่ถูกที่ทํากันนะเพราะปฏิบัติทำแล้วมันจะทําให้หนีผัวหนีเมียทําให้ออกการออกนั้นไม่ถูกก็นนะั่นน่ะทำแล้วให้มีมีความสุขในงานจะเละจิตไปแล้วมันทให้มีสุขในงานมันทําให้จิตของเราดีเมื่อจิตของเราดีทุกคนก็ดีกับเราเจ้านายก็รักเมื่อเจ้านายรักมันก็ทําให้สบายสบายใจใครก็คิดถึงเราแน่ยมีิยมที่แพร่คนหนึ่งเนะี่ยเมื่อ สมัยเศรษฐกิจมันตกุกแูแกเป็นวิศวกรเนี่ยเมื่อหมู่บ้านที่แกคุมหมู่บ้านจเกษตรอยู่เมื่อทางเจ้าของโครงการว่าเงินกู้ไม่ได้แล้วก็ออกจากงานพ่อกำนันเรเป็นไง ก, ก็ไปเก็บอารมณ์ที่อาสมที่แพร่นะไปทําอยู่สมสสามครั้งข้างหลังข้างหลังคือเนี่ยข้งางข้างล่าสุด น, นี้ก็ไปทําอีกสิบสาวันออกจากเก็บอารมณ์มาเขาโทรไปบอกว่ามีงานอ่าไปทํางาน ไปทํำไอโครงการที่นนบุรีเอาได้งานใหม่ขึ้นมาเงินเดือนเป็นแสนเน่ยเพราะอะไรเพราะเพราปฏิบัติธรรมแล้วมาทําให้พูดคุยกับใครอะไรใครมันมันล่าเริงมันแจ่มใสเขาคิดถึงเขาอยากทํางานด้วยใช่ไหมเราเวลามีการมีงานเขาคิดถึงคนนั้นก่อนเพราะมันไม่เครียดปฏิบัติธรรมแล้วมันล่าเริงมันแจ่มใส ใ, ใช่ไหมล่ะแต่ปฏิบัติธรรมแล้วนี่เครียดยิง่งจึงยิ่งทําอะไรไม่ถูกอันนี้มันก็ไม่ถูกธรรมะแล้วต้องมีความสุขในงานไม่เครสยดในงาน คนรอบข้างก็เป็นมีความสุขด้วยนะโอ้เวลาเลยมาหลายนาทีแล้วเนาะสองสามนาทีแล้วก็สมควรแก่เวลาแล้วเ น, นาะก็คิดว่ามุทนาสาธุในความตั้งใจที่นั่งปฏิบัติกันมาก็าสมควรแก่เวลาก็ขอใหายย้ญาติโยมทุกคนอา่าพ อ, ออก่าสงฆ์อกคาจาทุกท่านที่ได้ฟังมาวันนี้สิ่งไหนที่มันเกินเลยไปก็ ข, ขออภัยด้วยสิ่งไหนที่มันคิดว่าจะเป็นประโยชน์ก็นํานไปพิจิตรณา ให้ละเอียดทองแท้ไปก่อนค่อยเชื่อไม่จะเป็นทั้งเชื่อที่พูดแต่นำไปพี่พิจารณาให้ทองแท้แล้วทำดูถ้าทำถูกก็ขออนุทนาถ้าทำผิดก็มาถามได้ก็ขอให้ความตั้งใจอันนี้จงเป็นพละวะปัจจัยให้สัมผัสเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนท่ทานคืออาเส นคําคว่าอายตนะนิพพานหมายถึงอะไรคำนี้เป็นศัพท์เทคนิคเนี่ยในนิพพานเนี่ยท่านบอกว่ามีอายตนะอยู่แต่ก็เหมือนไม่มีอายตนะนั้นศัพว่าอายตนะมันไม่ได้ทำเหมือนกับรู้ศัพท์ ว, ว่ารู้คือกําหนดรู้แล้วเนี่ยอายตนะนั้นไม่ได้ทำหน้าที่อายตนะไปว่าบอกเกิดไปว่ที่เชื่อมต่อใช่ไหมระหว่างการกระทบนั้นไปสู่ใจ นำการกระทบนั้นสู่ว่านําความพอใจเข้าไปก็หมายขวามาอายัดณาณ์นั้นเชื่อมไปสู่ความพอใจถ้าเกิดความไม่พอใจอายัดณานั้นเชื่อมไปสู่ความไม่พอใจแต่ถ้าเราเห็นปั๊บรู้เฉยไม่เกิดความพอใจหรือไม่พอใจอายัดณก็เพียงแต่ทําหน้าที่แต่ว่ามันไม่เป็นเชื่อมไปสู่ตัวผัทสเวทนาตันหาอุบาสกมันก็จบตรงนั้นมีในนิพพานมีอายัดณาอยู่แต่ว่ามันไม่ทําหน้าที่เชื่อมต่อไปสู่ตัวเวทนาพัทธสักตันหานะก็อายัดณานั้นก็ถือว่า เป็นเหมือนมีเหมือนไม่มีอายตนะนั้นนะอเข้าใจเนา ะ, ะแต่ต้องไม่เมืเ่ต้องไปยงถึงต้นตอเพ้าะว่มาอย่างไงดอกแต่เข้าใจคานี้ว่าเสด็จจะได้พ่านเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันเออดีนะท่านอีมีปัญหาอะไรบ้างเพราะจุดนี้เป็นจุดที่เราใช้ชีวิตประจำวันนะถ้าเราอะไรกระทบปั๊บรู้เฉยๆนะสมมุติไปกลับไปบ้านเนี่ยพอบ้านเขาว่าไปอยู่วัดตั้งนานเนี่ยลูกเต้าเาข้าปั่นไปยังไงรูกไม่สนใจ ไปวัดไปได้กินอะไรจะทําอะไรเนี่ยพอเราไม่กําหนดรู้ไม่ทันเนี่ยตึ๊งเข้ามาเลยดนยีโอหมันเลยไปแล้วพิธ น, นาจันหาอุปทานแล้วไปยึดเอาลมที่มาเข้าหูเนี่ยเป็นว่าลมของรูปปากเขากคนนั้นเสียงของเราเสียงของเขากําหนดรู้ไม่ทันเพราะอะไรเพราะชติยังอ่อนอยู่แต่พอเขาว่างมาปับกำหนดรู้ทันอมาดูใจก่อนดูใจถ้าใจมันดีแล้วก็เขยินก็พูดอายการนั้นก็ดีผ่านใช่ไหมลับ ม เ, เ, เ, เอออาจจะจริงนะเพราะว่าเราอาจจะฟังภาษาท่านไม่ออกนะสีอนิยมติตใจหมายถึงว่าจิตของเราเนี่ยมันมีสี อ, อนิยมิตใจทุกคนท่านอาจจะคุยกับจิตของท่านก็ได้แต่ว่าคนฟังไปสื่อความหมายสีอนิยมิใจข้างนอกคนฟังอาจจะฟังจิตก็ได้แต่คนคนพูดอาจจะพูดถูกนะสมมุติว่านะเพราะคาว่าสีอนิยมติตใจมันเป็นชื่อของธรรมะสี่คำหนึ่ง อริยะคําหนึง่งเมตตาคําหนึง่งแต่บางเออไอสาคําเนี่ยเอามาใช้เป็นสันสตรีสริก็กลายเป็นสีใช่ไหมภาษาสัญสกฤีเนีอริยะก็กลายเป็นอารยะเมตตาก็กลายเป็นเมตไตรเอามาบวกเข้าสีอริยะเมตสีอาริยะเ ม, ะมตไตรใช่ไหมเรก็กลายเป็นคนขึ้นมาทันทีเลยแต่ควจริงในคนทุกคนเนี่ยมีคุณธรรมสาประการถ้าคนนั้นจเจริญสติจเจริญสมาธิปัญญาแล้วจะมีสีคือมีสิรตั้งในสี่ห้ายอยู่เสมอ สอนจะมีอริยะหมายความว่ามีการกําหนดรู้ซื่อๆตรงๆเป็นอริยะขึ้นมาอย่างไกลจากความพอใจไกลจากความไม่พอใจความพอใจก็เป็นศัตรูใช่ไหมล่ะความไม่พอใจก็เป็นศัตรูอริยะมาจากคําว่าไปพ้นจากศัตรูมาจากคําว่าอริใช่ไหมอริยะมาจากคําว่าอริคำหนึ่งใช่ไหมบวกยัเป็นอริยะแปลว่าไกลจากศัตรูความดีใจก็เป็นศัตรูความ เสียใจก็เป็นศัตรูความสุขก็เป็นศัตรูความทุกข์ก็เป็นศัตรูแต่พุทุชนเห็นว่าความสุขเป็นมิตรความทุกข์เป็นศัตรูแต่พระอริยเจ้าเขาเห็นว่าความสุขก็เป็นศัตรูความทุกข์ก็เป็นศัตรูให้ไปเหนือซะตรงนี้เขาเรียกว่าอริยความสุขก็ดูมันเฉยเฉยความทุขก็ดูมันเฉยเพอใจก็ดูมันเฉยเฉยอย่าไปเอากับมันความไม่พอใจก็ดูมันเฉยเฉแปลว่านี่เป็นอริยมีอยู่ในคนใช่ไหมแล้วก็เมตไตรมาจากคำเมตตา เมื่อจิดมันมีอริยอย่างนี้แนละ้วก็เกิความาเมสัยเกิดความสงสารคนที่เขาเป็นทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นทุกคนเป็นสี่อาริยในใจใช่ไนหะเพราะฉะนั้นสีในี้ใจไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยอยู่ในใจเราเองแต่ว่าเราปฏิบัติพอไหมถ้าปฏิบัติยังไม่พอสีอ่ในไม่ใจก็องค์เล็กๆนะเป็นพุทธเบบี้อยูนะ่แต่พอโตขึ้นปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นสี่ในไม่ใจก็องค์ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น ก็ทำให้พ้นจากกิเลสได้เพราะฉะนั้นที่ท่านพูดอาจจะพูดถูกแต่เราอาจจะฟังผิดก็ได้โนโเนาะโอ้นั่นเป็นภาษานะี่ยภาษาของท่านอ่ะเขาใหญ่นู้นวน่าไงถามโอ้มีปัญหาเพราะท่าดีกันนะเออฟังนิดนึงเออฟังนิดนึง คืออารมณ์ที่เป็นส่วนไม่มีอะไรเลยเมื่อไม่มีอะไรเลยก็จะมีทางอ๋อสัญญาตารมเขาว่าส่ญนยตาเนี่ยไม่ได้หมายถึงไม่มีอะไรมีเหมือนไม่มีที่พุทธเจ้าจใช้คำว่าสักแต่ว่าเห็นสักแตว่าเห็นเป็นสัญญาแล้วใช่ไหมได้ยินสักแต่ว่าได้ยินอยาวมาปุงแต่งเป็นสัญญาแล้วรู้คิดสักแต่ว่ารู้สักแตว่าคิดแล้วไม่นําไปปุงแต่งเป็นสุญญาแล้วเพราะว่าสัญญาตารมนั้นหมายถึงว่า เมื่อการเห็นการได้ยินการรู้และมีสติเข้าไปกำหนดได้ทันทีโดยที่ไม่จิตไม่ทันไปฟุงเเจหรือบ่นไหวกักวบอ า, ารมณ์นั้นเป็นสญญาตาทันทีเรียกว่าสัญญาตารมเพราะนั้นเราปฏิบัติที่มาปฏิบัติสัญญาตารมนะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมดานะแต่ว่าเราไม่พูดภาษาอันนั้นเพราะ็นภาษาปริวัตรจะทําให้เราสับสนใช่ไหมเราไม่ใช่คําว่ารู้ชื่อคาว่ารู้ชื่อคือสัญญาตารมนั่นเองเข้าใจใช่ไหมโ <Okay. S 1> อเคเอาไม่ใช่ นีพระติจ้าห้าเท่าใช่ไหมองค์แรกนั่นก็ขุดสันโชองค์ที่สองโคนาธรมโนสามกับสี่โคตโมคือปัจจุบันนี้และองค์ที่ห้าและศาสนาต่อไปคือพระสีเรียนเน่ใเนี่ยจะมีจริงไหมเป็นองค์ที่ห้าใช่ไหมคำถามว่าอย่างนี้นะ บอกว่าในพัฒน์กับนี่มีพู้ดเจ้าห้าพระองค์นะมีกัจจปโปปุคุสัโธปุนาคมโนโคตโมแล้วก็เสียเลนิตโยอ่อาทั้งห้าในพัฒน์กับนี้มีพู้ดเจ้าห้าพระองค์คําว่าพัฒน์กับนี้ฟังให้ดีมีพุ้ดเจ้าห้าพระองค์พัฒน์กับนี้หมายถึงว่าห้าพระองค์ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้คือพัฒน์กับหนึ่ง นะในในในในขันห้าเนี่ยคือพระพุทธเจ้าคาพองค์อยู่ในใจของคนทุกคนดูแล้วฮะกสโกเป็นชื่อของเต่าเป็ชื่อของสตินะโกนาขมโนอุคุเชนโทกันนะอุคุเชนโทเป็นชื่อของสมาธิอ่าอุคุชนโทโกนาขมโนคือทั้งห้านี่แก่สทาวิยะสติสมาธิปัญญา มีผู้ญญาณห้าพระองค์อยู่ในขันห้าเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็นตามเนี่ยเราปฏิบัติอยู่กับผู้วิญญาห้าพระองค์เพาพุทธะห้าพระองค์นี้ได้แก่ศรัทธาวิริญาสติสมาธิปัญญาแล้วในห้านี้ก็คือตัวขันหานี้เองแต่อันนั้นเป็นชื่อนะแต่ทีนี้ถ้าจะมาพูดแบบปรมัจรอย่างนี้เนี่ยคําสอนนี้จะอยู่ไม่ได้ท่านจําเป็นจะต้องทําเป็นสมมุติขึ้นมา เพื่อเป็นเปลือกห่อหุ้มผู้ที่ศาสนานมีทั้งเปลือกและทั้งเนื้อเราอยากจะกินมะพร้าวเนี่ยเอาเปลือกมันมาทำไมปฏิเสธเปลือกไม่ได้เพราะมันอยู่ด้วยกันใช่ไหมตัวเรจะพูดว่าให้เจริญสภาวิยสติสมาธิในขันท่าอย่างนี้จบพูดมาสองพันปีมาถึงวันนี้ไม่มีใครจำได้แล้วเพราะมันเป็นปรมาทตย์ใช่ไหม แต่บอกว่าในพระทกกับเนี่ยมีพระพุทธเจ้าหาพระองค์นะมีกัสโปโกณัคคโมกุคุสินโทโคตมโมแล้วก็อริยเมตตาอ ย, าอยูคนก็จําได้เป็นจํานานใช่ไหมที่พูดเมื่อกี้ว่าเมื่อพุทธเจา้าต่อสู้มาอยู่นี่กลัวว่าจะเมธอรีตัวพพุทธเจ้าสู้ไม่ไหวก็ขุดขึ้นมาจากแผ่นดินแล้วมาบีดมวยผมท่านพูดเอาไว้ทําไมพูดว่าบอกว่าธรณีไหมายถึงแผ่นดินใช่ไหมบีดมวยผมหมถึงต้องใช้สมองต้องใช้สตสิปัญญา ถ้าจะพูดแค่นี้ไม่ได้คนมันลืมใช่ไหมก็ต้องไปแต่งเป็นบุคลาที่ฐานเขาเรียกเป็น personalization ขอโทษต้องใช้คำนี้คือเป็นบุคลาที่ฐานแล้วก็มาใช้ธรรมาที่ฐานโดย realization เอามาใส่ที่นี่คือปรมาตร์ถ้าหากไม่ใช่นี้คนลืมหมดเห ม, มือนกันที่แต่งเป็นมาโดยเฉพาะที่อะไรองค์แรกกูปุสั น, นโตนี่ไก่เอาไปเลี้ยงแล้วก็ธรรมโนนี่นาเอาไปเลี้ยง น, นาคเไปเลี้ยง Watering, อันนี้ลึกกวีเต่าเอาไปเลี้ยงมีปัญหามาเองอืออันนี้คือความในท่านต้องการฝังเงื่อนงําว่าตรงนั้นเอาไปเลี้ยงตัวนี้ไปเลี้ยงเป็นชื่อของคุณธรรมแต่ทีนี้เราต้องแกะออกเต่านี่หมายถึงอะไรตัวช้าตัวเชื่อมใช่ไหมนี่หมายถึงตัวนี้อถ้าว่าไก่เอาไปเลี้ยงหมายถึงตัวนิวร์ใช่ไหมล่ะกูกูกูกูเซ็นโทกูกูจั่งกูกูเซ็นโทกูกูจั่เป็นผู้ริจ้าได้กูกูจั่หมายถึงอะไร ความคิดที่มันฟงแต่งู้สร้างใช่ไหมน่าจะหูฉันโถคะนั้ น, น, น, นเป็นคําบาลีที่เรายัางแกาไม่ออกอยังไม่ออกทั้งหลายเนี่ยไม่รู้จักบาลีใช่ไหมล่ะเขาก็เอาชื่อชื่อบาลีเนี่ยมาตั้งเป็นพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้พอเราแกะบาลีออกเรารู้ชื่อออกอ้อท่านก็ฝังคุณธรรมไว้ตรงนี้ <c oughs> แต่คนที่กิดประเพณีกีดตำราเรารับไม่ได้แต่มาแก้อย่างนี้ใช่ไหมล่ะเพราะงั้นคุณก็ปฏิเสธตาราปฏิเสธพุทธสารรถไปกันใหญ่เพราะว่าถ้าไม่รู้บาลมัทธ์ไปพูดตรงนี้ไม่ได้พูดตรงน แต่คนรู้จักพลธรรมแลก็มาแก้ให้กันฟังอย่นี่แต่ไม่ใช่ไม่จะเป็นต้องเชื่อก็ได้เข้าใจนะอันนี้มันเปลือกก็เปือกกัเนื้อของมันมันจําเป็นต้องมีกินส้มมันอาจจะไม่ให้ดีเปลือกไม่ได้ต้องมีเพรเปลือกนั้นรักษาก็เป็นธรรมดาต้องปฏิบัติให้นองมากแล้วมัจะค่อยหายความสะสมไปนะหมดได้ไหมเอาละก็ส่วนไกลเวลานะ เราควรลงมอีกาครั้งนให้นำไปที่นิจรราพระเด็นกำลังเขเป็นจุดเด่นเป็นสับพิวิที่ดถ้าคนที่ดีก็ไม่มีปัญหาเออ เป็นภาวะที่เป็นสมมติสมมุติคือเราปรุงแต่งขึ้นเป็นเป็นเหตุการณ์เป็นภาษาเป็นภาพศแล้วก็พยายามเสริมแต่งให้มันสมบูรณ์อันนี้เป็นภาวะที่เรียกว่าไม่แน่นอนภาวะที่ปรุงแต่งขึ้นเป็นสมมติแต่ส่วนใหญ่เราปฏิบัติกันอยู่ในระดับนี้ระดับที่เราคิดว่ามันจะเป็นแล้วก็พยายามทําให้มันเป็น แน่นอนแต่สภาวะอันหนึ่งที่เป็นประมัดที่มันมีอยู่แล้วทึ่ถ้าหากว่าคนยังไม่เข้าใจรูปนามชัดเจนก็อาจจะสัมผัสอันนี้ไม่ได้คือสภาวะที่เป็นอยู่ทางกายความรู้สึกที่เป็นไปทางกายที่เราเรียกว่ารูปนามสภาวะที่เป็นสมมุติที่เราคิดขึ้นเรียกว่าจากนามมารูปอันนี้ไม่แน่นอนแต่ภาวะที่มันเป็นอยู่กับรูปกับนาม อันนี้มันมันดำรงอยู่เพราะนั้นในการเจริญสติเนี่ยเราต้องการที่จะสัมผัสกับรูปนามมากกว่านามลูกรูปนามเนี่ยมันดำรงอยู่โดยอาศัยเวทนาเป็นตัวปรากฏเวทนาเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่นตึงไวเ้เจ็บปวดเคลื่อนไหวเอืยบปวดเล็กเอียบ ใหญ่เป็นที่ปรากฏซึ่งบางครั้งมันก็ชัดเจนบางครั้งก็ไม่ชัดเจนซึ่งเรวกายวิญญาตใการปรากฏทางกายที่เราปฏิบัติเนี่ยเราก็พยายามรู้อาการของรูปนามที่ปรากฏเี่ให้ชัดๆเอาไว้เท่านั้นเองจิตของเราก็จะสงบ ไม่ปุงแต่งแต่ถ้าเรายังมีความอยากอ ย, กอยู่เนี่ยมันก็ไม่พอใจเท่าที่มีไม่พอใจเท่าที่ที่ปรากฏเราอยากจะอะไรให้มันมากขึ้นกว่า น, นั้นพยอย่างปรุงแต่งสภาวะทำใหม่ขึ้นมาไอ้ตัวนี้ที่สร้างความยุ่งยากที่เราปุงแต่งให้มันขึ้นมาเช่นว่าเราทําไปแล้วอยากจะให้มัน รู้สึกเบาใจรู้สึกสบายจะให้รู้สึกมันรู้อะไรขึ้นมานี่สภาวะนี้เป็นตัวสร้างปัญหามากเพราะมันประกอบด้วยความอยากที่เป็นรูปภพรูปภพอยากในรูปอยากในสิ่งที่ไม่ใช่รูปแต่ในส่วนที่เป็นสภาวะที่มันมีอยู่เป็นอยู่ที่เป็นธรรมแท้ๆนี่ ที่เป็นรูปธรรมนามธรรมที่มันปรากฏอยู่ซึ่งเป็นสภาวะที่มีเหมือนไม่มีเนะี่ยแต่ถ้าหากว่เราเข้าไปสัมผัสสภาวะนี้ชัดๆแล้วก็ยังเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดสภาวะนี้มันจะคงที่เนี่ยคงที่หาวร อ, อยู่เพียงแต่ว่ามันอาศัยตัวเ ว, เวทนาไปที่ปรากฏ แต่ว่าเราต้องดูเวทนาในฐานะว่าเป็นเป็นสภาวะที่เป็นอนัตตาเองไม่ใช่เป็นภาวะที่เป็นเราโดยส่วนใหญ่เรารู้จักสภาวะอันนี้อยู่แล้วแต่เราไปสำคัญเวทนานี่เป็นเราเป็นเจ็บของเราเป็นปวดของเราเป็นเบื่อของเราเป็นเมื่อยของเราเป็นเย็นของเราเป็นร้อนของเราเพาะด้วยการเข้าไปมีอุปทานในในเวทนานี่เอง สภาวธรรม ท, ที่ที่ปรากฏล้วนๆมันก็เลยเป็นเป็นอุปทานเป็นความปุงแต่งขึ้นมาตรงนี้ละเอียดมากถ้าเราไม่สังเกตจริงๆก็จะไม่ไมรู้ชัดน้าเราจำเป็นต้องเข้าใจว่าในตัวเวทนาในส่วนใหญ่เราเข้าใจไม่ถูกเพราะเราไปสำคัญว่ามันเวทนานี้เป็นเรา เราไ ม, ม่มองเห็นว่าเป็นอนัตตาเรามองเห็นว่าเป็นเวทนาไม่เป็นเราเป็นอัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อเวทนาเปลี่ยนไปใจเราก็เราก็เปลี่ยนไปด้วยเราคิดตามไปด้วยแต่ถ้าเราเรารู้เวทนาสักต่ว่าเวทนาไม่เข้าไปรูปแต่งหรือสําคัญมั่นหมายอะไรมากกว่านั้นเข้าดูแต่สภาวะมันมันก็จะเป็นสภาวะที่ละเอียดประณีต ฉะนั น, นี้เราเราต้องเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้แล้วจิตของเรามันก็เบื่อเบื่ออยากๆยากขึ้นขึ้นลงลง uh, อยู่อย่างนั้นแหละการปฏิบัติมันก็ไม่ก้าวหน้าแต่ถ้าเราดำรงจิตอยู่ในสภาวะที่มันรู้เฉยๆยเห็นเฉย ๆ, ๆโดยไม่เผลอให้ตัวอุปทานเข้าไปสำคัญมั่นหมายในเวทนา มันก็ไวขึ้นหมายความว่าอาการของลูกนามปรากฏชัดนั่นหมายถึงการปฏิบัติที่ที่วัยขึ้นอาการของลูกนามเฉยไม่ใช่เป็นอาการของเมตนาของเราสิ ข, ของเราทุกของเราดีของเราเชื่อของเราไม่ใช่อาการเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เอียดไม่แต่ น, นี้จริงๆริมันก็ อดไม่ได้ที่จะไปเผอสําคัญเอาเวทนานี้เป็นของเราอันนี้คือจุดสําคัญที่ที่เราทั้งหลายมักจะล่าช้าในการปฏิบัติเพราะตัวเผอมันมีเยอะในขณะที่เราไม่เผอเราบางทีเราก็ค่อยแจไม่ถูก ท, ทั้งที่ตั้งใจกําหนดอยู่แล้วเนี่ยไปกําหนดเอาเวทนาต่างๆความรู้สึกต่างๆว่าเป็นของเราระวังใจไม่ถูก มันก็ทำไปทีแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจถูกจริงๆเนี่ยมันจะเข้าใจสภาวธรรมโดยได้ไม่ไม่งานโดยไม่ยากเลยเพราะนั้นต้องต้องเฝ้าดูจุดนี้บ่อยๆการปฏิบัติต้องเฝ้าดูเล็ดงดูเหมือนกับเราสนเข็ม น, นี่ยสมมติว่าลูเข็มมเล็กเล็กมากได้ก็เล็กมาก สายตาของเราไม่ค่อยดีเนี่ยต้องเล็งแล้วหย่แล้วใหญ่อีกแย่ผิดแย่ถูกอยู่อย่างนงทีไม่เข้าเลยสำหรับคนตาไม่ดีต้องอาศัยคนตาดีมาแย่ให้เหมือนกันนระหว่างตัวสภาวะเนี่ยที่มันมีอยู่แล้วนี่เหมือนรูเข็มรูก้นเข็มเลสติสมาธิปัญญาของเราเหมือนเหมือนปลายได้ ที่เราคอแย่เข้าไปแต่ถ้าหากว่าตัวปัญญาจากสุขของเราไม่ไม่ดีไม่ชัดเจนพอเนี่ยมันก็เข้าไม่ถูกแล้กกนวกาหนดไม่ถูกก็ต้องแย่กันบ่อยๆมันคนแก่ส่วนคนเข็มถ้าคนไห้ตาดีก็แย่ได้ไวปั๊บเข้าเลยสมมุติว่าลูกเข็มมันเล็กสเส้นด้ายมันเล็ก มองแทบไม่ค่ยเหนน็นเรื่องเรื่องการปฏิบัตินี้ระหว่างสติกับรูปนามเนี่ยต้องต้องกำหนดกันอยู่ตลอดเวลาต้องเล็งกันอยู่ตลอดเวลาเล็งดนเคลื่อนไหวจะบางคนปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกก็ ย, ยังยังจับหลักไม่เคยได้ยังไม่ชัดจิต